อนันตะลักขณสูตรข้อยีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุปัญจวคีว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตภิกษุทั้งหลายถ้ารูปนี้จะเป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลาย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 เวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นพิสษุทั้งหลายก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตาฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้เวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้าสัญญานี้จะเป็นอนตาแล้วไซ้ สัญญานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้สัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุท ال ั Stadt, ้งหลายก็ครอบสัญญาเป็นอนัตตาฉะนั um ้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้สัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตา ภิกษุทั้งหลายถ้าสังขารเหล่านี้จะเป็นอัตราระแล้วไซสังขารเหล่านี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออ า, าพาธและบุคคลพึงได้ในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็เพราะสังขารทั้งหลายเป็นอน ต, ตาฉะนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออ า, าพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสังขารทั้งหลายว่า สังคานทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้สังคานทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นพิกสุทั้งหลายวิญญาณเป็นอนัตตาพิกสุทั้งหลายถ้าวิญญาณนี้จกเป็นอนตาแล้วใสวิญญาณนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกสุทั้งหลายก็เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้น วิญญาณจึงเป็นไปเพื่อพาดเล่บุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นข้อ21พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจข้อนั้นอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุปัญจวคีทุลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นหัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าสังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข่ า, ก, ก, ก, า, ขาก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดา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 ข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าข้อ22พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเร็วหรือประณีตใกล้หรือไกลทั้งหมดนั่นเธอทั้งหลายพึ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบ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 เธอทั้งหลายพึ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราข้อ23ภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญา ย, ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่าย ย่อมใครกำหนัดพ่อใครกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วระยะสาวกย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีข้อ24พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนันตลัคนสูตรนี้แล้วภิกษุปัญจวคี์ก็มีใจ ยินดีชื่นชมภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระพุทธองค์ตรัสเวยยกรณนนี้อยู่จิตของภิกษุปัญจวัคคีย์ก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นครั้งนั้นมีพระอระหันต์ในโลกหรูปปัญจวัคคียกถาจบภาณวารที่หนึ่งจบ